แาเป็นภาษาจีนใช่ไหมจีนกลางครับนายเป็นจีนกลางเขาเขาจะรู้มากกว่าภาษาอังกฤษนะครับส่วนใหญ่เขาพูดภาษาจีนกลางครับจีนกลางเขาว่าภาษาจีนกลางกับภาษาอังกฤษแต่คนโตที่จะรู้คนใหญ่ถึงจะรู้จะส่วนใหญ่เขามาว่าแล้วก็พูดภาษาจีนกลางจีนกลางภษาจีนกลาง ทำไมถูก้ไมถูกสอนให้รู้ภาษาจีนกลางก็ควรเดียางนก็มันมันหลายหลายแสตนะอ่าใช่ถ้าจิงกลางครับไปตรงนี้ก็ต้องเดินจีนกลางครับก็เขาไปโรงเรมจีนกลาอ่าครับผมถ้าที่ตรงนี้ก็ต้องเดินจีนกลางแล้วภาษาอังกฤษเขาบังคับไหมบังคับสามภาษาครับภาษาอังกฤษต้องบังคับใช่ภาษาจีนจีนอ่ามันอะไรกับอังกฤษมันเรื่อภาษาอังกฤษบังคับสามอย่าง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 เ น, ปปนเี่ยวผมจะพาพูดไปสักสิบกวนาทีแล้วก็พานพหน้าพอนาไปสองทุ่มมันจะได้สองทุ่มเลยนะครับ พ, พูดไปซักห น, น, นอ่อยเลีย้ยงไม่มา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 มีใครไม่เข้าใจมีใครไม่รู้จักมีใครยังทำไม่เป็นไม่รู้เรื่องมีไหมเพราเจ้าามันพุทธพุทธเจ้าย์ศิษย์พ่อยศมือยศเมื่อไม่รู้จัก้วชไหนั่นน่ะนั่น่ะไม่น้อยลยรู้จักแล้วใช่ไหม นั่งภาวนาพุทธพุทธพุทธธคิดอยู่เรื่องเดียวคือพุทโธพุทโธพุทธพุทธ只是想一样东西而已只是想着พุทธพุทธพุทธ而已 ทำความรู้สึกอยู่กับค ำ, ำว่าพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทโธแล้วก็ประคองพุทธโธแล้วก็ประคองพุทธโธแล้วก็ประคองเอาใจนั่นแหละประคองใจโช่ใ่ใช่ใช่จ้่ใช่ใ่ใช่ใช่ใชีใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่่่่ใ่่ ในเราด้เข้าถึงความสุขเร็วพระพุทขรู้จักสิ่งนี้ให้เาวขึนจอ่เราิกงรค็วทไม่มีใครปฏิเสธว่าการที่เราคิดมากฟ้งซ่านรคารมาเป็นเหตุ น, นมาสิความทุกไม่มีใครปฏิเสธว่าการที่เราคิดมากฟุ้งซ่านรคาญมากเป็นเหตุนามาซึ่งความทุกข์มีคว่าาทเิดมากรกตุนำมา้นวาุมระฏิเสธวาาท่เาดมาน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 这个心啊，带着去想这些东西。激烈，蛮怕、念、怕、想。烦恼，带着去想这些东西าา。我们念、么、想，跟阿弥陀佛、阿弥陀佛、阿弥陀佛有关系了嘞。所以必须改变，要用这个法来想，是想着佛陀啊，佛陀、不陀而已，只是想着这一件事情而已。嗯。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 มีความเบากายอยู่ในนั้นมีความเบาใจอยู่ในนั้นมีความสุขอยู่ในนั้นัจิตกก ด, ดึงจิตให้มาอยู่กับคำว่ า, มามพุทโธพุทโธแล้วประคองพุทโธแล้วประคองอันนี้ธบว่าเป็นอุบายทำให้ใจสงบ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 จนได้ใบได้วิธีมาดัดจิตของเราอยู่ในเงื้อมือของเราแล้วเราก็ได้แบบได้เกณฑ์ในการฝึกจิตของเรานี่คือวิธีทีเราใช้ในการฝึกจิตของเรานี่คิจารณาเสียง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 เพื่อให้รู้เท่าทันกองสังขารสังขารจิตแหละจิตผ่านนึกผ่าคิดผ่าปรุงาสิงาา่งนจะเข้เาใจว่าธอะเจ้าอมของพรเาคือรมะพระุเจาคือธรรมงระ้าครุะขงพระ้าคือรมองพร้าคือรมะองราคือของระพุเจาืมของพระพเจ้ือของราเราืรมองพรควรงเาืมองรู้าึของระเ้คืรอรุเามท่ามรทัเก็าัืะ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 ด้วยเหตุที่เรานึกเราคิดเราปรงุงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิล่นเรื่องรสตามธรรมชาตินั้นอ่า这个就是我们依着这性的造作呢所以才会有身相味出法的这种造作เราอ่านนึกคิดปรุงแต่งไปตามอารมณ์ของกิเลตัญหา我们会跟着这个恼欲望呢去造作นึกคิดปรุงไปด้วยความหลง一直迷失的去造作 นึกคิดปรุงไปด้วยอำนาจของความยึดด้วยความถือออีเจกถ้าเป็นเรื่องของกิเตัณหาแล้วมันพายึพ า, าถือเ่านั้นแหล ะ, ะหเรอือตัหาแล้วมันพยึดพท่านันถเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาแล้วมันพายึดพาถือนั้นแหละถาร่ออเัหา้ัอท่านนะ็งเสตห้มท่านันหานรงกัห้วาดพัา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 接下来呢，大家保持啊，不拖不拖。呃，上个礼拜一，下午两、三点钟，我们就做晚课。啊，一直做到两啊八点钟，<嗯>我们再来做晚课。嗯。<咳>啊，能跑呢？这里啊，开始哦。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 เป็นทางผูกเป็นทางตรงที่สุดไม่มีการมาสุขาริการโยอเกี่ยวข้องเพื่อ พ, อพอตนตามใจชอบด้วยอำนาจของกามไม่มีอาคีระนุกรรมะอาิีะมฐานโยไม่มีการนำบรีเกี่ยวกับเรื่องจิตํำบที่เรื่องอยากจะได้บุญอยากจะได้บุญนำบที่เรื่องอยากจะพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์แต่ไม่มีแนวปฏิบัติ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 ที่แปลรอบมานิดหน่อยเนียคือคือภาษาจีกับพไม่เก่งครับ้ออกออกแปลเป็นกรีกอะก็ได้ยนไม่ได้แปลเปอังกฤษเนี่ยพฝรั่งเศสก็มีเนาเอาเลยท่านท่านเก่งอังกรีกเพราะว่าจิงกลางจะได้ประโยชน์มากกว่าสำหรับเยาวมอเลเซียดุสิตเนาะจีนกลางไหมจิงกลางอ๋อท่านเชื่ออะไรนะจุโก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 แล้วภาษาจีนกลางเนี่ยที่พูดไปเนี่ฟังไหมเข้าใจไหมรู้เรื่องไหมมันมันก็มีปลายบ้างให้จับเอเออเขา้าเข้าใจไหมโดยหลักๆเขาก็เรียนมาไหมครับนิยมามมันลงแต่ก็ปกติก็คอยฟังยอยู่อ่ามีคือทางปฏิบัติเมืเ่อเเราพูดตอนแรกๆนั่นแหะเราพูดเรื่องสมาธิสมาธิก็คือองค์ประกอบส่วนหนึ่งสมาธิ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 โดนตอก่อ น, นเงี้ยเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ทำความสบบางบคุปาจานหลวงปู่สาวลปู่มันโดยเฉพาะหลวงตาเราเน้นต้องสงบซะก่อนต้องสงบเสียก่อนสงบเสียก่อนสมัยรูวปูเขียนหลปูเขียนปเปลี่ยนก้าปูเขียนปเปลี่ยนก้า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 ถ้าไม่มัดกันจริงๆไม่ยกบูชาไว้จริงๆจะไม่คยอยู่ลเลยในรัฐบาลอาารท่านจึงสอนท้าไม่ทิ้งสมมตานนะเออพวคุณมีความรู้มากแล้วไม่ต้องเภาหน้าใจสงบดอกพิจารณาเลยพิจารณาเลยประเทศคี ป, ปาพินยามีมีอยู่แต่มีน้อยแสดงว่าบุญบา ร, รมีเขามากแล้วบุญบา ร, รมีเขามากแล้ว เพียงแถวพระพุทเจ้าเปิดตาให้เคลียขี้ฝุ่นคือฝอยในตาแป๊บเดียวเขาก็สว่างโล่เหมือนอย่างพระพาหิยะเงี้ยพาหิยะเธอจงได้ยินสักเทวะไดยินได้เห็นสักเทวะได้เห็นได้ยินสักเทวะได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสสักเทว่าสักเทวะจิตน้อมตามนั้นน่ะเทศยังไม่จบถึงคาถาเนี่บรรลุถึงขั้นเป็นพระอหรหันต์เลย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 อเดี๋ยวเราให้เวลาแปลซะก่อนคนแปลแล้วมันเสียงคนอื่นรบกวนคนอื่นเราอยู่โดยลาพังแล้วก็ไปพูดฟังที่นู่นก็ได้อุตตะกันดาบอดาดาบไม่มีบารมีเหมือนพระพุทธเจา้จาพระเจ้าท่านพอออกท่านท่านออกมาบาเพ็ญไม่ทางาใช้จิตที่ได้รูปปัตตมาบารูปปัตตมาบัติของพระองค์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 หมุนเข้าไปทั้งสติเป็นจาะเข้าไปทั้งปัญญาก็จาะเข้าไปทั้งสมาธิกับตะล่อมเข้าไปแผดเผาอย่าในหัวใจในสุดได้พระญาณอีกอันหนึ่งสวัสดยญาณรู้ว่าพระงนี่หมดจดจากตัวตัณหาสวัดุสิส้นเชิงมีต้นตอดังเดิมทีม่อุริจาของเราในท่านเจ้าบุญจะได้จดรู้วิธีการที่พระองค์นำมามหมุนเอง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 พอดับไปแล้วท่านจะใช้คำยังไงก็ได้หมดแจะใช้คําว่าสละก็ได้ใช้คําว่าละก็ได้ใช้คําว่าวางก็ได้ใช้คําว่าฆ่าก็ได้ข่ากิเลสใช้คํำยังไงก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่คําทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนี่ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาอันตล่อมเข้ามาด้วยอำนาจของสมาธิเข้าไปรู้เข้าไปเห็นสิ่งเหล่านั้นก็เกิด ไ, ได้เพราะฉะนั้นปัญญาก็คือ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 รวมไปถึงภิกษุกัณาในแง่มุมมุนทิสจะเป็นอย่างไรกัเราเกิดปัญญาอันนี้สงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงอันนี้จะตามอปุปธรรมบำรุงจิตใจของเราให้มีฉลาดให้มีความฉลาดให้มีความรอบรูร้และพาจิตของเราเดินเข้าสู่นทางปฏิบัติเพื่อความละเอียดของจิตโดด ย, ยิงย่งขึ้นไปวันนี้ขอุติเพียงค่นี้พวกเราก็มาไม่ได้พักก่อนนะ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 ชนปลว่าอะไรอ่มันนการพููรู้อย่างนั้นนะในใบสที่เขาบอกแล้วก็คนคนประยุกต์บงแต่ก่อนยกต์ยๆก็ขาไข่ก็แปลงแปลว่าไงเขาบก่คมที่สุพุชนะครับผมพุชนะพุชนอะไรพุเฮ้เฮ้เขียนยังไงครับเขียนพอสมเภลใช่ไหมใชครับ แปลว่าอะไรพุชัยนวเ น, นี่ยผมไปมาเลเซียสิงคโปร์อาศัยเพื่อนเะน่ยตามแผนแปลภาษาอังกฤษแปลภาษาจีาหนหกเกี่ยนเก่งหกเกี่ยนแต่อันนี้เขาเกง่งจีนกลางเกง่งจีนกลางจึงเป็นเหตุไทยถ่ายไปถ่ายมาสิงคโปร์มาเลเซียเมืองไทยแต่เมืองไทยที่อยัด ตั้งเป็นทัวร์เยอะๆไปไม่มีมีแต่ไปอินเดียนุ่นเมืองไทยไปไปอินเดียทั้ทงพระทพระทั้งเณะทั้งยองไปอินเดียนุ่นพระเจ้าปสวงศ์ไปที่อินเดียไปตราบสังเวชชนียสถานไปพาทำมัดไปพาสวดมนต์ได้แนวปฏิบัติได้ข้อปฏิบัติบางคนก็ได้ไปได้สลดใจได้สังเวชใจ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 มีปัญหาอะไรไหมลีทีปัญหาอะไรไหมหมูเรามีไหมที่อยู่ที่หลับที่นอนที่อะไรห้องน้ำห้องท่าอะไรเนี่ยไปฉชยมีกันอยู่เนาะ่วามีัเหรอะโอเคโอเคอเคีฮะดูแลกันด้วยดูแลกันด้วยเดินนี้ต้องส่องไฟนะงู ่ยเย่องอม เ, <อ>เดินหลับเดินมืดม่ได้เืด เ, เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ให้พรุ่งนี้ให้อาจารย์อุชุโกโนี่ไปบินตบาตข้างนอกกับมูก็ได้เห้ยท่านรีอยู่นะบินบาได้ครับไปบินตบาดเพราะว่าเรานั่งรถไป นั่งรถไปพอได้ลุนปั๊บหมู่เขาก็นั่งรถไปทายองหายจากสบัตรก็อรออยู่ที่นี่มายองก็ไปคอยอย่งนี้ประมาณเกือบเจ็ดโมงเกือบเจเกือบเจ็ดโมงเขามาคอยอยู่ตรงเพิงสบาตรนั่นครับอ่าผมก็ไปบินบัตตรงนั้นแหละผมก็ไปบิบตตรงนั้นท่านท่านไปได้บอกเขาดิบอกเขาบอกเขา เดี๋ยวเดี๋ยวในครัวเขาจะบอกอีกที่ดอกในครัวเขาจะบอกยังไม่ต้องมาแต่เช้ามืดดอก ใ, ใกล้ๆกล้เจ็ดโมงหกโมงครึ่งกว่านออกมาเขาจะสักวันเชา้าธรวันเช้าก็ไปขึ้นไปทำที่นู่นบนชลาโน่นอ่ะบนชลาที่นู่นเป็นทำบนชลาแล้วก็นั่งภาวนาไปจนสว่างแต่ยุง่งเจาะอ่าตีสี่บนชลา วัน okay, so นี้เวลาเรียนดอทเ่์เนี่ยรักี่点钟早上那个่殿咯，但是，第四门栅那นู่น，刚ท我们的那ี้殿呢，不ะ这个哦，刚才我们在那在旁边，就在大殿那边น旁边，四点钟早上。บงทีเราอาจจะลงแล้วก็อาจจะไม่ลงเนะเพราะว่าไข้หวัดอืมปกติเราก็ไม่ค่อยลองนะตอนเช้าเนี่ย รจะออกชั้นแล้วก็มาตอนสายใครลงได้ก็ลงนะที่ข้างนีันโเหรอกด้วี่้างโกชูเหรอไม่ต้อโอเคไปได้ไปตลาดก็ได้พระเขาไม่ได้ลงมาชั้นหมดหรอก รถ <Okay. S 2> สายละเฮ้ยพวกนี้วันธรรมดาวันธรรมดาแต่ถ้าเป็นวันพระวันปาิโมนเขาจะตงเยอะพวกนี้มันไม่ใช่วันปาธิโมไม่เยอะหรอกวันปาิโมต้องใช้รถสายรบบินบัทสองสายสายละสองคันสองคันงั้นต้องใช้หมด